พระบัญญัติ453ก็สถานที่ไม่ใช่อาสนะที่กำบังไม่พอจะทําการได้แต่เป็นสถานที่พอจะพูดเกี่ยวมาตุคามด้วยวาจาช่วยหยาบได้ก็ภิกษุใด้นั่งบนอาสนะเช่นนั้นในที่รับกับมาตุคามสองต่อสองอุบาสิกามีวาจาเชื่อถือได้ได้เห็นภิกษุนั่งกับมาตุคามนั้นแล้วกล่าวโทษ ด, ด้วยอับัตอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาอับัตสองอย่างคือสังฆาธิเศษ หรือปาจิตติที่สูยอมรับการนั่งเพิ่งถูกปรับด้วยอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาอาบัตสองอย่างคือสังฆาธิเศษหรือปาจิตติกิจอย่างหนึ่งอุบาสิกาผู้มีวาจาเชื่อถือได้นั้นกล่าวโทษด้วยอาบัติใดที่สูนั้นเพิ่งถูกปรับด้วยอาบัตินั้นอาบัตินี้ชื่อว่าอนิยตเรื่องพระอุทายีจบ